ท้องก้นหยกภาคสองตอนที่สิเดตอนถ่ายทอดคลิดวิชาสุดยอดฟ้าสีครามเมฆสีขาวอาทิตย์พิสดแสงอุทยรูปไรอยู่บนบุพพาสีแดงบนใบไม้สีเขียวมีน้ำค้างสุกใสสายลมสดชื่นและหอมหวานดุดดังลมหายใจของดารุณีแรกเรื่อโอ้ยังสั่ง มีค่าคิดณบัดนี้ดางได้เป็นประมุขแห่งสำนักไต้บุปผาสืบต่อจากท่านมังกรที่ว่าหูนายยังแววถึงคำสั่งกรรมชับของสือแปรพบสิ่งก้องกังวานทุกโสดประสาทจงไปทำหน้าที่ของเจ้าให้สมบูรณ์แล้วค่อยกลับมาหาข้าเจ้ายังมีวาสนาผูกพันกันกับเหล่าสหายยศของเจ้าอยู่ให้ถือศีลเป็นครู สอนคนให้ศึกษาวิชาวบสิ่งอันประเสริฐสุดนี้คือประการที่หนึ่งและสามัคคีรวมวงการาศาสนาธ ร, รรมไม่ว่าขงจือเต๋าพุทธกิตเข้าเป็นหนึ่งอีกประการหนึ่งเพราะเป็นวิธีแห่งพุทธกว้างใหญ่ไพศาลมีวิถีแป0 0มนสีพันวิธีทุกาศาสนาล้วนเป็นอริยสัจจงรวมมัดไายเข้าด้วยกัน ท่านเจ้าสำนักเราิทธิ์มาชุมนุมพร้อมกันแล้วขอเรียนเชิญบงบูและบงบุญเดินนำเทพทิราใตา้มาสู่ลานไล้การเวลาซึ่งมีเหล่าจอมยุทธ์ทั้งหลายมาชุมนุมอย่างคลาคำํำขอท่านเจ้าสำนักโปรดทายท่อคำพีไตวิสุทธ์เปิดประตูมรรคผล ชีทางพุทธแกเราสิท์ด้วยเถิดสนหิมะก่าวนำขึ้นเสียงบุภาทิพพูดแทรกขึ้นว่ามิทราบว่าพวกเราที่เฝ้าทุ่มเทลมปานสมาธิพลังจิตตลอดระยะเวลายี่สิบปีที่ผ่านมาจะสามารถฝึกฝนจนสำเร็จได้หรือไม่ข้าน้อยเกรงว่าบุภาทิพและเราจอมยุทธทั้งหลาย เพธิดาทะเลใต้กาวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนแต่แฝงไปด้วยอำนาจซื้อแผลวบสิงพ่อมสอนข้าว่าไม่ว่าเส้นทางยาวไกลปานใดธุระกันดาลเพียงไหนขอเพียงท่านยินยอมเดินตั้งใจเดินฝ่าอันแน่วแน่ย่อมมีวันบรรลุถึงไม่ว่าอันเป็นอุดมการลำบากยากเข็ญประการใดขอเพียงท่านดีปณิธานหานมุ่งย่อมมีวันประสบผลฉัน คำพียุดยใดในสามภพแต่ล้วนเป็นหนึ่งเดียวคือต้องมีศีลเป็นครูเป็นมูลฐานแห่งจิตดังนี้ 1. นด้านหน้าธาตุน้ม 2. ด้านขวาธาตุดิน 3. ด้านหลังธาตุไฟ 4. ด้านซ้ายธาตุลม 5. ศูนย์กลางอากาศธาตุข้อ 1. ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตับ ตาวิญญาณบริสุทธิ์ดินศูนย์ข้อสองไม่ลักทรัพย์ปอดจมูกสังขารสบายลมศูนย์ข้อสามไม่ประพฤติผิดในกรรมใจปากสงบไฟศูนย์ข้อสีไม่กล่าววาจาที่เป็นเท็จมามโมโนยานยิงทำศูนย์ ข้อห้าไม่ดื่มน้ำเมาหูไตจิตรวมศูนย์น้ำศูนย์เบนจะขันจตุรพูดดับปล่อยวางต่อสัพพาเหตุเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่พวกเจ้าทุกคนต้องเรียนรู้เข้าใจและเข้าถึงสามหมูกผาชูช่อห้าท่าสามกีไม่เกินข่อยขวาพวกท่านก็เฝ้าฝึกฝนมาหลายปีนี้ มูลฐานแห่งจิตคือศีลย่อมมีในทุกคนขั้นตอนต่อไปควรจะฝึกให้ไอาทาสมบูรณ์ข อ, องตัวหองสวยบวชที่แนะเพื่อนจอมหยุดฝึกไอายทให้สมบูรณ์คือการฝึกให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงอันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้สุขภาพจิตสมบูรณ์ต่อไป ปราของเราเป็นสองพลังคือพลังร้อนและพลังเย็นยินอย่างหากพลังทั้งสองสมดุลคนเราจะมีพลังธาตุสมบูรณ์เป็นการฝึกพลังธาตุเป็นสติองตัวออกมากล่าวชีเ้เนะเหล่าเพื่อนจอมหยุดองส่ยยกล่าวเสริมว่าอากาศที่เราหายใจเต็มไปด้วยปราณอิสระหากเราหายใจแบบธรรมดาเราก็ได้ปราณแบบธรรมดา หากสามารถกำหนดการหายใจแบบถูกวิธีเราก็ได้ปลาณที่มีคุณภาพโดยเฉพาะปลานก่อนกําเนิดก็เกิดพลังมาศจันท ร, ร์ต่อตัวเราได้อย่างคาดคิดไม่ถึงสามารถนําไปใช้รักษาโรคและยังสามารถถ่ายทอดพลังโู่ผู้อื่นได้เหมือนที่ท่านวยศารและไผ่จังรักษาโรคให้เราจอมหยุดด้วยพลังฝ่ามือจักรลา และที่ท่าน อ, องตัวอองสวยรักษาด้วยหัตทะเทพผลิตใช่หรือไม่เลี้ยงเลียงกวางสิ่น้องนุษสุดท้องของสำนักก่าวถามขึ้นถูกต้องเลี้ยงเหลียงกวงเจ้าก็ควรฝึกเพื่อพลานาัยที่แข็งแกร่งวิทยายุทธก็จะ ก, ก้าวไก่เมื่อมีสุขภาพพลานาไมที่แข็งแรงไอท่าก็จะสมบูรณ์ท่ากิ ม, มบักจ้หยทุ ที่ประกอบขึ้นเป็นขันหจะสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวโง่ขี่เฉียวงวงคือหนึ่งธาตุไฟที่อยในจิตว่างจากความเศร้าโศกสติมั่นคงธาตุไฟจากทิศใต้ก็เข้าร่วมสองตับตีเป็นที่อยู่ของวิญญาณให้มีเมตตาวิญญาณมั่นคงธาตุไม้จากทิศตะวันออกเข้าร่วมสา มามที่เป็นที่อยู่ของธรรมมาลมให้มีสัจธรรมมาลมมั่นคงธาตุดินจากทิศศูนกลางเข้าร่วม4ี่ปอดเป็นที่อยู่ของเจตสิกมีความซื่อสัตย์เจตสิกมั่นคงธาตุทองจากทิศตะวันตกเข้าร่วม 5. ไตที่เป็นที่อยู่ของอาสุจิให้สํารวมในกามผมมจันมั่นคงธาตุน้ําจากทิศเหนือเข้าร่วม ผู้ปฏิบัติ5ข้อนี้จะดำรงพมจันทร์เอกทาตและสติเจงขี่สิงตัดความทยานอยากออกมีสติที่มั่นคงผู้ปฏิบัติจะสามารถรวมธาตุจากห้าทิศก่อเกิดเป็นสามบุปผาเป็นไตวิสุทธิคือหนึ่งนางวยบุกผาชนฝึกพลังแห่งพมจันทร์ให้กลายเป็นธาตุ คือตัดความกำหนัดสํารวมในกามมีจริยธรรมมุปพาตะกัวก็เกิดขึ้น 2. ตี 2> <ด>หวยบุพพาธ <พา S 1> รณีฝึกธาตุให้กลายเป็นสติคือทำจิตว่างไม่วันไว้ในโลกธรรมมุปพาเงินก็เกิดขึ้น 3. เทียงหวยบุพพาสวรรค์ฝึกพลังสติให้คืนสู่ความว่างคือให้มีสติอยู่ทุกขณะจิต ปัญญาย่อมก่อเกิดเกิดเป็นบุพภาสวรรค์เมื่อสามบุพภาชูช่อห้าธาตุสามัคคีจะนำมาซึ่งการบรรลุขั้นสูงสุดแห่งวิชาเวสิงแล้วจะสามารถซ่อนธาตุไว้ในสามโลกห่อหุ้มฟ้าดินจะทะยานขึ้นสู่ฟ้าหรือแทรกแผ่นดินเทพเทวดานิากขวางกันเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานที่สูงสุดดังนี้